และการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเคือวิมุตต์คือความหลุดพ้นในพุทธศาสนานั้นพึงปฏิบัติอย่างไรวิธีไหน ก็ต้องศึกษาให้มีความรู้ความเห็นให้ตรงตรงต่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าตรงต่อครองธรรมข้อว่าตรงต่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็คือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างใดมีพระพุท ธ, ธาธิบายคือความประสงค์หรือความหมายเป็นอย่างใดก็รู้ตรงตามที่ทรงสั่งสอนไว้เดียวว่าตามครองทรรมนั้น ก็คือมีความรู้ความเห็นในศีลตรงต่อศีลจริงๆมีความรู้ความเห็นในสมาธิตรงต่อสมาธิจริงๆมีความรู้ความเห็นในปัญญาตรงต่อปัญญาจริงๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือว่าตามพระพุทธาธิบายการที่มาสดับรับฟังคำสั่งสอนอ่านหนังสือธรรมะทั้งหลายคิดพิ จ, จรารณาความหมายของธรรมะทั้งหลาย ก็เพื่อให้มีความเห็นตรงดังที่กล่าวมานี้เบื้องต้นนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ แล้วจึงตรัสสอนให้อาศัยศีลปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ดังกล่าวและสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้ยังได้ตรัสแสดงไว้อีก ว่าพึงปฏิบัติได้สําหรับบุถุชนสําหรับเสขบุคคลซึ่งเป็น อริยบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์ตลอดจนถึงอาเศฆขบุคคลคือพระอรหันต์ทั้งหลาย ทุกจำพวกตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสีาสำหรับบุทุชนหรือสามั ญ, ญชนที่ตรัสยกเป็นตัวอย่างเช่นภิกษุใหม่ที่มาบวชไม่นาน ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ทำจิตให้ร่วมมีอารมณ์อันเดียวเพื่อยานคือความ อย่างรู้กายเวทนาจิตธรรมสำหรับอริยบุคคลที่ยังเป็นเสขะคือเป็นโสดาบันบุคคลสัจจัามีบุคคลอนาคามีบุคคล ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสถติปทานทั้งสี่เพื่อปริญญาคือทำความรู้รอบคอบในกายเวทนาจิตธรรม ส่วนพระอาราหันท์ทั้งหลายก็ตรัสว่าปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่พรากิตออกจากกายเวทนาจิตธรรมจึงเป็นอันว่า สติปทานทั้งสี่นี้เป็นข้อที่ตัะสอนให้ปฏิบัติด้วยกันท้งนั้นที่เป็นสามัญชน หรือเป็นภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติเป็นอริยบุคคลที่เป็นเสขบุคคลก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติที่เป็นอริยบุคคลคันอเสขะผู้เศรษฐกิจเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ก็ะจะสอนให้ปฏิบัติแต่ว่าเพื่อผลที่เพื่อผลต่างกันสำหรับสามั ญ, ญชนก็เพื่อญาณคือความรู้กายเวทนาจิตธรรมเสกบุคคลก็เพื่อปริญญา กำหนดรู ก, กายเวทนาจิตธรรมหรือรอบขอบกายเวทนาจิตธรรมอาศัขบุคคลก็เพื่อแยกจิตออกจากกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นสติปทานทั้งสี่นี้ จึงเป็นหลักปฏิบัติใหญ่เป็นสมถกรรมฐานด้วยเป็นมีปัสนากรรมฐานด้วยต่อกันไปที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นก็คือ ปฏิบัติทาจิตให้เป็นสมาธิกำหนดกายเวทนาจิตรมที่เป็นมีปัจจนากรรมฐานนั่นก็คือทม ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติ หรือเรียกว่าสตินำหน้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสติปทานการจะทำสมาธิก็ต้องอาศัยสติการจะทำ มีปัฏนานก็ต้ององาศัยสติเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกวสติปัฏฐานที่ได้เคยแสดงแล้วว่า แปลกันง่ายๆว่าตั้งสติอย่างหนึ่งสติตั้งอีกอย่างหนึ่งในขั้นปฏิบัตินั้นแปลว่าตั้งสติ และเมื่อปฏิบัติจนตั้งสติได้ก็แปลว่าสติตั้งจีตแปลว่าตั้งสตินั้นเป็นขั้นปฏิบัติที่แปลวสติตั้งสติตั้งนั้น เป็นขั้นผลของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรม ทั้งสี่นี้ก็รวมอยู่ที่กายและใจหรือกายและจิตของทุกๆคนนี้เองรวมเข้า คือตัวอัตภาพอันนี้และที่เรียกว่าอัตภาพนี้ก็เรียกตามสมมติบัญญัติคือกายและใจของทุกๆคนนี้ ก็สมมติบัญญัิว่าเป็นอัตตาตัวตนเรียกว่าอัตภาวะหรืออัตภาพที่แปลว่าเป็นอัตตาตัวตนภาวะก็แปลว่าความมีความเป็น เมื่อมารวมอัตตาเป็นอัตภาพก็แปล ว, ว่าเป็นอัตตาตัวตนและก็เรียกอีกอย่างหนึ่งตามที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา อ, อัตภาพซึ่งเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจำแนกแจกแจงออกไป หลายไนยะเช่นจำแนกแจกแจงออกไปเป็นขันห้าจำแนกแจกแจงออกไปเป็นอาจตนตาหกจำแนกแจกแจงออกไป เป็นทาสิบแปดจำแนกแจกแจงออกไปย่อขันห้าเป็นนามรูปจำแนกแจกแจงออกไปเป็นสติปัฏฐานสี่คือที่ตั้งของสติทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรม ตามควรแก่การที่จะเป็นกรรมฐานสำหรับเป็นที่ตั้งสติเป็นที่ตั้งสมาธิหรือเป็นที่ตั้งของปัญญาที่จะพิจารณา แต่อันที่จริงนั้นทั้งหมดนี้ก็รวมเข้าเป็นสมบมิบัญญัติที่ว่าอัตภาพ <c oughs> ตัวเราของเรานี่แหละทั้งหมด <c oughs> ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้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 ในธรมจะแสดงสมาธิในสติปัฏฐาน สติปัฏฐานนั้นได้เคยแสดงแล้วว่าแปลว่าตั้งสติอันหมายถึงการปฏิบัติ แปลว่าสติตั้งอันหมายถึงผลของการปฏิบัติว่าถึงในการปฏิบัติตั้งสติก็จะต้องมีที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้ตั้งสติที่กายเวทนาจิตและธรรมทั้งสีน่นี้จึงเป็นที่ตั้งสติ สตินั่นแปกกันว่าความระลึกได้ซึ่งมีความหมายว่าระลึก คือนึกถึงและก็นึกได้ด้วยสติคือความระลึกได้นี้ได้มีพระพุทธธธิบายไว้โดยความว่า ระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้คล้ายกับสัญญาที่แปลว่าความกำหนดหมายหรือความจำหมาย แต่สัญญานั้นใช่ในความหมายลังกล่าวในอารมณ์คือเรื่องที่มาประสบพบผ่านทางอาญตะนะโดยปกติ เป็นความรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลภัณสิ่งถูกต้องและจำธรรมะคือเรื่องเรา ที่ประสบพบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและมันน่าขื่นใจเมื่อรู้จำดังกล่าวก็ผ่านไปผ่านไป แต่สติคือความระลึกได้นี้แม้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วในเรื่องนั้นนั้นแม่นาน ก็ยังระลึกได้คือเมื่อนึกถึงก็ยังนึกถึงได้จึงมีความหมายที่เป็นความกำหนดจดจำ ยาวนานกว่าสัญญาสัญญานั้นรู้จำในเรื่องที่ประสบพบผ่านนั้นนั้นดังกล่าวแล้วก็ผ่านไปผ่านไปจะเรียกว่า เกิดดับไปเกิดดับไปก็ได้แต่สตินี้แม้จะเป็นเรื่องที่มีสัญญาความรู้จำเกิดดับเกิดดับไปแล้ว สติก็ยังระลึกได้เพราะสตินี้ตั้งอยู่ในจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ อันเรียกวิญญาณธาตุอันเป็นตัวเดิมสติดังกล่าวได้มีพระพุทธได้มีพระพุทธาธิบาย รัดไว้สวนสติในสติปัฏฐานเป็นสติที่ตัดสอน ให้ตั้งในกายเวทนาจิตธรรมด้วยอนุปัสสนาคือตามดูหรือดูตามมุ่งถึง อนุปัสสนาดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นปัจจุบันส่วนสติที่กล่าวมาในเบือ้องต้นระลึกได้ถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้นั่น เป็นสติระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตคือที่ล่วงไปแล้วแม่นานทำอะไรไว้พูดอะไรไว้ในอดีตที่ล่วงไปนาน